เหตุผลก็คือในเรื่องของการที่ว่ายอมทำบุญครบรอบวันเกิดแต่ว่าไม่รู้ครบกี่รอบเลยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปก็คือว่าพอมาคิดถึงวันที่ตนเองเกิดก็เลยปลาลบอยากจะทําบุญลปไปมาก็คืออยากจะที่อยากจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการที่ตนเองทํางานมาได้ผ่าน บุคคลมามากมายเห็นความเปลี่ยนแปลงมาก็เยอะเห็นไหมทั้งข้างบนทั้งแต่ละประเทศต่างๆที่ไปมาบางครั้งเคยปาลารบให้อัตมาฟังว่าหลายๆคนอยากจะไปเที่ยวประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตึกมีแต่ภูเขามีแต่น้ําสรุปก็คือว่าถ้าเรามองให้เห็นความจริงตรงเนี้เนิง ให้มุมมองก็คือว่าถ้ามองในความเป็นสมมุติบัญญัติมันมีเยอะจะสมมุติว่าเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําเป็นตึกนะเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นบุคคลเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอะไรไปกันเยอะเลยหลายแห่งก็พยายามที่จะกลั่นแกลงกันแต่ละประเทศบูมหรือว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวกันเยอะแยะเบสเ็ต ไปเข้าจริงๆก็ไม่มีอะไรบางคนก็บอกว่าต้องนั่งรถกันต่อหลังจากนั่งเครื่องบินไปแล้วนินึ่งต้องต่อกันไม่รู้กี่ชั่วโมงบางทีก็ห้าบางทีก็สิบชั่วโมงบางทีต้องการจะไปดูตึกเก่าๆสักตึกแค่นั้นเองแค่นั้นแหละไปก็ไม่มีอะไรแล้วเบดเสร็จเหนื่อยก็ไปกินกินก็ไปนอนนอนเบ็ดเสร็จก็กลับมาก็มาถ่ายภาพไว้ดูแล้วก็บอกโอ้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเหตุ ทำให้หลายๆคนที่ไปมามากมากแล้วบางคนถือว่าความูมขื่ได้ไปทั่วโลกแต่ถ้ามาสรุปอย่างนี้นะว่าในโลกใบเนี้ถ้าสรุปมาแล้วก็มีดินใช่มมีน้ำมีไฟแล้วก็มีลมถ้าสรุปอย่างนี้จะเห็นชัดถ้าบอกดินน้ำไฟลมข้างนอกก็มีใช่ ไ, ไส่วนที่เป็นดินส่วนหนึ่งดินก็บหินกันเดียวกันกนะก็คือดิน อีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําก็คือาธาตุน้ำไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นาธาตุไฟอีกส่วนหนึ่งคือาธาตุลมมีแค่นี้แหละก็มาเพิ่มเสริมเติมแต่งก็เรียกเป็นชื่ออะไรก็เรียกกันไปนั่นคือภายนอกหันมาดูภายในพุทธิย่าก็แยกแยะไว้พุทธิย่าบอกว่ า, าธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ไตหัวใจตัาปอดไซส์ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือธาตุดินแต่เขาเรียกสัตว์สัมภาราพลทวีถ้าธาตุน้ําก็ดีสเลตหนองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ําตาเปรียวมันน้ําลายน้ํามูดคือน้ําปัสสาวะนั่นเองอันนี้คือธาตุน้ําส่วนหนึ่งก็คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่ไปเผาอาหารทําหน้าที่ย่อยอาหารที่กินกเข้าไป แล้วก็ไฟที่เผาทําให้สรีระแกง่อมแล้วก็เจ็บป่วยหรือก็ตายไปนี่คือธาตุไฟส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุลมลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ําลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมที่พัดผันไปตามเอาไว้ว่น้อยใหญ่ที่ทําให้มีการยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ลมหายใจเข้าออกสโลก็คือธาตุสีนี้เขาเรียกสัตสัมภาระแต่ลักษณะของเขากขาป่ายอีกอย่างลักษณะ แข็งและอ่อนเป็นธาตุดินเย็นและร้อนเป็นต้นเป็นธาตุไฟใช่ไหมผักดันกระแทกก็เป็นธาตุลมหมือหรือว่าไหลหรือเกาะกลุ่มก็เป็นธาตุน้ํามือนอันนี้คือลักษณะปฐวีอาโปโตเตโชวาโยเขาวาสรุปก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าฉลาดในธาตุดินก็ไม่หวั่นไหวเมื่อดินถลม่มเพราะภายในเนี่ยดินก็ถล่มตลอดบางคนก็ฟันหัก บางคนก็หนังเหี่ยวย่นบางคนก็ตาบอดเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่พังไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นถามว่าระดางดินที่พังภายในกับดินที่ภายนอกพังอันไหนน่ากลัวกว่ากันเห็น ไ, ไหมจะเห็นชัดเลยเช่นถ้าผมหลุดหมดเลยผมงอกหมดหลุดออกด้วยขนเล็บหลุดหมดฟันหลุดหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกกระดูกต้องประพุพังเห็น ไ, ไหมหลายๆคนก็เป็นโรค ก, กระดูกโรคอะไรกัน นี่คือดินภายในมันพังแล้วแต่เราเห็นดินภายนอกพังแล้วก็โอ้วันไหวมากสรุปก็คือเนี่นี่คือโลกโลกหนึ่งในกระแสชีวิตของคนทุกคนนั่นคือโลกเขาต้องบอกว่าเราจะฉลาดในโลกภายในหรือโลกภายนอกเอาไงดียอมทีจะฉลาดในโลกภายในหรือภายนอกใช่ไถ้าฉลาดในโลกภายในเราก็ไม่รุ่มหลงในโลกภายในอันนี้ก็เรียกโลกที่มีวิญญาณคลองโลกที่มีชีวิต แต่โลกใบนี้ที่มันเป็นดวงดาวดวงหนึ่งนบข้อดวงหนึ่งอันนี้ไม่มีวิญญาณของอย่างนี้เขาเรียกกรร ม, มปัจจะยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุคือเย็นและร้อนรวมตัวกันขึ้นมาแต่มีกรรมของสัตว์เป็นปัจจัยนั้นคราวใดที่สัตว์มีโลภามากๆมีโทสะมากๆมีโมหามากๆก็รุ่มหลงมันไปนมีอิทธิพลต่อโลกข้างนอกด้วยซึ่งก็เริ่มวิปลิตฝนฟ้าก็วิปลิตก็แปลรวน แต่สัตว์โลกไม่รู้มุมนี้แต่ว่าบรมศาสดาท่านทราบท่านก็ชี้มุมให้ดูว่าอ๋อมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีอิทธิพลฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าโลกเนี่ยแท้ที่จริงโลกภายในเนี่ยมันไหวอยู่เป็นนิดแล้วก็มันพังอยู่เป็นนิดแล้วมันผลพังอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่เคยรู้เลยนะมันเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวลาเลย มันไม่มีการคงตัวมันแม้ชั่ววินาทีนึงมันมีการเสื่อมไปสิ้นไปแล้วมีความทุกข์ถูกความทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอ ด, ดเวลาแล้วก็บังคับคอนโทรลไม่ได้นี่กระแสชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือโลกภายในทั้งจิตความคิดนึกก็มีการแตกดับอยู่นึงนิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้า ต, ต้อบอกว่าคนที่ฉลาดในโลกภายในด้วยแล้วมีความฉลาดในโลกภายนอกก็ไม่ลุ่มหลงไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองก็ไม่ลุ่มหลง เมื่อเห็นสถานการณ์ทั้งภายในภายนอกมันไหวอยู่อย่างนี้เป็นเนืองนิดก็ไม่ยึดติดในโลกภายในและภายนอกพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองประพฤติปฏิบัติตนเองในการที่จะถอนตนออกจากโลกเพ้ไดไม่ลุ่มหลง ม, มัวเมาไม่ยึดติดอันนี้เขาเราียกเข้าใจโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าในชั้นคําสอนเข า, าเ่าแปลกันก็ใช้จำนวนดีสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุดราชฉลรสก็จะลาชฉลรสี่า ง, างามใช่ไหม โลกก็คือโลกภายในและภายนอกมันตะการตาม่ามันให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินให้ความกำหนัดให้ความขัดเครืองให้ความร่วมหลงสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีมัวเมาร่มหลง่ําหันกันวัดทศร้ายซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเขียนข่าซึ่งกันและกันลังแกซึ่งกันและกันอะไรต่างๆก็ศึกชิงกามกันทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ชิงกันใหญ่ชิงความเป็นใหญ่บ้างชิงในการต่อสู้บ้างทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลยโขว่ากันอุตรลุดนไยหมดเลยใช่ไหม ทั้งในประเทศและนอกประเทศแม้ในครอบครัวก็มีการแข่งขันกันในสราพรพัดเบสิคเพราะว่าสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตาการตา ด, ดาดุดราชะลดที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้ปริณิพานหมดแล้วไม่ข้องไม่ติดข้องเลยพระเจ้าประปริณิพานแล้วสารีบุตรพระโมคคารนาทั้งหลายก็ปริณิพานแล้วท่านฉลาดในโลกท่านก็ไม่ติดโลกใบนี้ เหมือนกับใบบัวไม่ติดน้ําเหมือนน้าไม่ติดที่ใบบัวเรามาเกิดในโลกใบนี้แต่เราไม่ใช่แค่เกิดอย่างเดียวเรามายึดติดยึดติดทั้งสภาพของตาหูจมูกลิ้นกายใจของตอนเองด้วยแล้วยังไปลุ่มหลงมัวเมาในตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลอื่นด้วยเรากังวลวิตกกฐฐังวลแต่เรพลาใช่ไหมถ้าเรายิ่งมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเยอะๆได้เป็นไงโอ้เยอะเลยใช่ไหมไหนจะต้องแค่บริหารตาสอง ข้างของตนเองก็หนั ก, กวอแล้วใช่ไหมก็ไปเพิ่มตามาอีกเพิ่มมาอีกเพิ่ ม, มอีกแค่หูสองหูนี่ก็พอแล้วยังเดี๋เพิ่มหูมาอีกเป็นสี่หูเป็นหกหูนี่จมูกสองรูนี่ก็หนักพอแล้วใช่ไหมยิ่งเดี๋ยเพิ่มมาอีกนั่นคือภาระภาระที่เราท่านต้อเหมือนเราทํางานเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไหมแล้วต้องดูแลคนทั้งบนเครื่องทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่จมกูกไม่ใช่ตาสองตาแล้วไม่รู้กี่ตาไม่รู้ ถ้าสักสามร้อยคนเนี่ยโหดินนังคิดเลยนี่คือภาล่ะวิทยาภาละภาราเขาปั่นจักรยานที่ภาล้านี่เป็นของหนักการแบกภาล้านี่เป็นของหนักพอผ่านไปพอปลอดภัยแต่ละเที่ยวเนี่โอ้หายใจร้องเลยนะบอกเออเดี๋ยวรับภาละต่ออีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนี่เป็นแบบนี้นี่คือแบกภาละเหมือนคนสอนหนังสือก็แบกภาละคนขับรถก็แบกภาละ คิดดูเียทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากกรรมและผลของกรรมมาจากคิดและพูดฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ระวังตัวกันให้ดีก็คือประกอบกุศลกรรมให้ดีกุศลกรรมนั้นจะทำให้เราหลุดรอดพ้นจากพยัน์อันตรายได้แต่ถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เล่นงานที่สุดจริงๆก็ไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีขนาดระวังเต็มที่นะระวังยังไงก็ไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ พุทธเจ้าเลยสอนแนวทางว่าเอาไว้แล้วอย่าแสวงหาการเกิดเดินมือใช่ไหมอย่าแสวงหาความแก่อย่าแสวงหาความเจ็บอย่าแสวงหาความตายอะไรคือการแสวงหาเกิดแก่เจ็บตายแสวงหาบุญไงแสวงหาภรรยาไงแสวงหาเพื่อนไงแสวงหาตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาซบเงินอันนี้คือการแสวงหาการเกิดแสวงหาความแก่แสวงหาความเจ็บแสวงหาความตายเขาเรียกว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่เปิดเผย แล้แสวงหาอะไรเมื่อกี้โยมช่วยบอกพูดเรื่องเบาๆ<笑><笑>นี่เบาสุดเลยเนี่ยก็คือพยายามตั้งหลักให้ถูกว่าสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเป็นการแสวงหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงบุตรบริวารเท่านั้นแต่อย่าทุ่มทั้งชีวิตไปแสวงหาอย่างนี้แต่สิ่งที่ควรจะทุ่มทั้งชีวิตแสวงหาคือความทุกข์ พนทางสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยให้แสวงหาให้ถูกนี่เขาเรียกตั้งหลักถูกใช่ไหมทั้งชีวิตมันไม่ได้จะได้ไม่ไปตั้งเป้าไว้ที่ทรัพย์ที่บุตรที่ภรรยาที่ญาติมิตรทั้งชีวิตเนี่ยแต่กลับว่าเอออันนั้นมันที่จะต้องทําเพื่อเลี้ยงตนเลี้ยงให้เป็นส่วนไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนก็แล้วดีกุลบุตร หรืาบรดีอริยาสาวกในพระธรรมวินัยสาวกาอุบาโสบาซิกาของพระพุทธเจ้านี่แสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นด้วยความขยันได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธรรมอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเมื่อสแสวงทรัพหาทรัพย์มาได้แล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุกเป็นต้นนไ้ก็คือให้ทานน่ ประกอบนอกนั้นก็ให้พ่อยังไงให้แม่ยังไงให้บุตรให้ภรรยาให้ญาติมิตรยังไงเป็นต้นนี่เป็นสุขก็ไล่ไปตามลาดับอั น, นั้นสอนการให้ทานตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกก็คือสอนการให้ทานสละเป็นตน้นอันนี้ก็เคยกล่าวไปแล้วเว่า